พระหลายอยู่เป็นพระนวักกะพระนักศึกษาแพทย์มหิดลทั้งหมด13บสาองค์หมดเผลนมาอยู่วัดเท่าเนีเป็นปีที่3ามแหละตั้งแต่ปี48ปดนะปีสี่เก้ปี50ปีสีปีห0าปีแหละเออมื่อเนี่หลวงพ่อจีวรเป็นภาษาบ้านเท่าให้ฟังดนๆไ ด, ด, ด้ฟังที่หนึ่งพอเมื่อเนี่เป็นวันทําบุญ พ่อแม่กูประจมนี่แหละที่บวชยัดเท่าหลายปีนี่พ่อเพิ่นเสียรอยตีเสาค น, น, นไปรอยตีเสาเป็นลูกชายของหลวงปู่หลาแท้ๆค น, น, นไปเปิมีลูกชายอยู่สองคนมีลูกอยู่สามคนตามประวัติของเพิ่นหลวงพ่อขุจักแต่เป็นเน่ น, นอนเพิ่นบอกให้ฟังมดนะพอหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่หลาหลวงปู่เฮ้านี่แต่อายุ10อ็ดอปี พ่อจบปอดีมาหลวงพอกับขึ้นมาอยู่น้าหลวงปูปี 2,500 ปีนี่ก็ 2,550 สูญเจ้าว่าสักปีมันออกไปห้าสิบเอปีเลยเ ด, ด้เออตั้งแต่หลวงพ่อบวดมากเลอยู่มาถึงแต่ปี 2,500 สมัยนั้นหลวงปูหล่าอายุเพียงอายุเพิ่นได้สากว่าปีม 37, ปั้งสามสเจ็ดสาปีน่ยกำลังแข็งแรงมันออไป ไหว่ั้านในถากควานี่พ่อไปพ่อปานเมี่ยงกระเบือเมี่ยงกระบี้บินเนี่ยมอไปอถากในทางขี่ขวาในาบินพ่อปานเมี่ยงกระเบือกระบี้บินเนี่ยมันะไปหลวงปูน่นี่ยโอ้ลําสันใหญ่แข็งแรงนไปแต่เพิน่นเพิ่นบวชเพิ่นอายุเพิ่นบวชเท่าไรอายุของหลวงพ่อเท่านันมั น, นไปถ้าจะว่าไปนะหลวลงปู่ หลวงปู่บวชหลวงพ่อก็เกิดวันละไปะพันบวชปี88ดบวันละไป2488ดบวันละไปหลวงพ่อก็เกิดปี2488บวไปพนั่นอยากอยู่จกักพันษาของหลวงปู่เท่าไหร่อายุของหลวงพ่อก็ทานันา น, านไปนี่แหละหลวงพอ่อยู่กับหลวงปู่เนี่ยถือว่าเป็นพ่อเป็นปู่ เป็นพอทั้งธรรมะสอนนึงแต่นโมตัสสะพเนาะลงไปกิริยามารยาททุกอย่างได้เลียนมาจากหลวงปู่จากนั้นเมื่อเป็นพระขึ้นมาแล้วยังคอยเขามาเลียนหลวงตาบัตนี่หลวงตานีแปลว่าเลี้ยนธรรมะภาคปฏิบัติขันสูงวนลงไปงเนี่ยกับหลวงตานี่ยแปลว่าเลี้ยนแบบปศระเบียบเด็ดเดียววนไปถ้าจะว่าไปแลยฮาร์ดได้ยากขึ้นกัน แต่ว่าหลวงปูผู้เจ้ากอลุงปูลาเขานีา่มีเมตต า, าแต่หลวงตาเพิ่ก็มีเมตตาเกินแต่ว่าหลวงปูนี่สอนแบบปูสอนหลานนไปเฮ็ดจังชันนะเฮ็ดจังซีนะเออบางที่หลานเกเรแต่กลับมากลับมาสอนอีกทั้งที่หายหายแล้วก็กลับมาสอนอีกคนไป อ, อยู่กับหลวงปูนี่บางปีอยู่2องค์นั่กันบางอีปีกับสองสามองค์มาหลายได้สมัยนั้นนะอยู่ผู้เจ้ากอ ขืนกนทางขยะผู้เท่าหกลมต่างร้ายเถื่อสมัยหนึ่งเพิ่นส่งน้ำขึ้นมาเฮาประเด็นน้ำหลังเพินน่นวนไปส่ง น, น้ำแล้ก็ขืนมาก่อนเพิ่นเพิ่นก็ส่งน้ำเสร็จแล้วเพิ่นก็มุดอลใน้อ น, น, ำน้ำเพิ่นก็เลยเอามือเอาผ่าครับอาบน้ำนะผาดสแขนข้อศอกยหลวงปู่เนี่เพิ่นบห้เอาผ่าค้ามาพาดบานเอ๋ ขั้นที่ปกหัวกระปกหัวเศร้าสันั้นที่ผ่าปลาเนี่เอาผ่าข้องข้อนี่ยขึเจ้าสู่ันเป็นว่าเฮ็ดแงแสงแสอยู่มันโมเป็นตะเบิงผ่าสันผ่าเอาผ่าข้องข้อันเป็นว่าเพราะนั้นเวลาเพิ่นอาบน้าเสร็จแล้วเพิ่นก็ผ่ดหอยตองตองแขนเพิ่นนื่อลงไปเนีเพิ่นก็นั่งขึ้นมาตามลำพังก็มิเน่ยหางเท้าก็ถือไม้เท้าหางเือเพิ่นก็บอถือไม้เท้าแต่ตามปกติเพิ่นก็บอกถือหเพิ่นยังนมอยู่ ทางเธอพิงก็ถือให้กันแล้วมันลงไปถือไม่เท่าเมมไไพิ่งก็ยักไม่เท่าไลว่ว น, นไปเพื่อเป็นไม่ไล่ควายว น, นไปควายแถวแต่มันดื้อเด้เาบางที่เห็นพาเน้นโดดไสโดดวง้ไปเพิ่ก็ทําตุหายไล่มันเนี่ยเพิ่งก็เลยขืนมากขืนมากมาเห็นหมาวันหมาตัวนึงมายุ่งนี่ ย, า, นน า, ยายผูนะ้มันนอนอยู่ก้อนหินเพิ่งก็จับผา ขามมาเนยเพื่นกันยกจะไอ้เมืงมานอนจย่งนี้เพ่นวะพ่อหมามันเป็นหมาบ้าได้บ้าหมาตอนหนูเป็นโมเมนหมาธรรมดามันก็ซักข้โยงมาใส่เพื่นเลยเพื่อนก็ห้อยห้อยอยหอยเ่อนเออบสถิตังทางงายหลังเลยพุทโาไปล้มเออโอ้เจ็บเลยเติบยุงเพิ่นวะลุกขึ้นมาหมาก็ไปพ่อหมาขึ้นกันนะวะโบสถิกังเพื่อนกว่าหเพราะว่าเพิ่งผ่าผ่าขมาเพื่นมันเปียกเนมันนักเ้อ ตุยเสืมาล า, าไปหมาก็เลยหงายหลังไปนั่นแหละมาพี่หน้าผมโอ้เขามันหมากัดข้าวนั่นอยู่ในป่าในถงจักเขาใส่สยายัางให้เพิินเพรไอ้ยาเอกกันหมาบ้า น, นี่กัมันหนี้บแถวนันวนไปมุกดาหารพูดนะมันโมเมนตใกล้เลยวนไปยังว่าพี่ห น, น้าผมโ อ, โอ้นับว่าเป็นบุญแต้เดเนี่คืคงจะเป็นบาปเป็นเวรของเพลินขึ้นกันหมาตอนนั้นไม่ จ, งจงังไหนจะมาโดดเซเพลินวนไป อยู่ภูจกอนี่แหละสรุปแล้วก็คือลงปูเข่านี่เออประจนไพ่น่านับประการถ้าจะว่าไปแล้วเออประจนไพ่น่านับประการคนละไปที่พันอยู่ภูจกอกับลงพรอเป็นสถานที่กันดานที่สดุดในยุคสมัยนั้นและอีกอย่างหนึ่งพันก็นอยู่ต่างทิน่นต่างแดนจู่เมืองอุดอรแล้วก็ไปอยู่ภูจกอตั้งแต่ปีสองพันหารอยแต่ถ้าจะว่าไปเลยก็ ยังตระกูลของหลวงพอะะ่อเนี่ยก่ะดูแลกอกอุ่มเพลนถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นคู่บาอาจารก์นอย่างลุกยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยคะ่เคยบวชน้าเพลนอีกวนนึงไปเป็นตะปะขาวอีกยมแม่ะะเองที่เขารลบหลวงปูเขารบชุดชุดนนึงไปขันชุดไ ย, เ, ยเป็นยังวา่าเนีเป็นไหนอะไรหลงแม่ปฏิบัติหลวงปูโหยผู้ขานะผู้ขานได้ปฏิบัติ พระอรหันต์แล้วคนมาเฮ้ห hey, wow. าเว้าโอชะหนุ่มจังใดโอยผู้ขาฝันไอ้ hey, ใส่บาทหลวงปู่หลวงปัวเต็มแล้ ว, ลวสใส่บ่วดดผู้ขาใส่เสื้อว่าเพิ่นเป็นพระอรหันต์ไอ้พวกห้องของฟังยุบบ่ห า, าเพิ่นมรณะภาพจุดตีนิลพันธ์กระดูกของเพิ่นก็เป็นพระทัดเอ้คุณแม่ยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าผิดก็แล้วกันว่นเราไปนั่นหลวงปู่ห้องนี้เป็นพระที่ นากาบบ่ายสักกะบูชาขุ่มเอ๋อนึ่งคนทั้งหลายกำลังหลายขึ้นไปกราบเจดีหมากมไหมพนั้นหลวงพ่อถือว่าหลวงปูเนี่ยอนอกจากพ่อแม่ของหลวงพ่อแล้วคือหลวงปูเนี่ยเป็นผู้ที่สองเป็นอนุบุพคาจารย์มนันไ ป, ไปล่องจากพ่อแม่เพิ่นไฮถ้ำมาแก่หลวงพ่อสอนทุกชิงทุกอย่างกิริยามรรยอาจ กาบจังไดไหวจังใดคำพูดจังไดข้นจะเว่าควรจะก้าวจังดขู่ข้ขนมากเกี่ยวของเฮ็ดจังไดนี่หลวงปู่พั น, นมดในร า, ายละเอียดลงไปยังจะไปยกขันนา้าใหา้ญาติโยมขึ้นกันสมุยญาติโยมมานี่บจักเขาเนี่ยไปก็ทียกแก้วน้าไปให้เฮ็ดก่งโก โ, ก โ, โ, กโยกยโบได้เดหลวงปูป่พนตวนนต้องนั่งเฮ็ดแบบถอดสายบัวลงไปเฮ็ดข้อยอะลงสกอนให้นั่ง แสดงความเคารพแขกที่เขามาหาเฮ้าโมเมนต์ที่กงหลังกองของหน่งขึ้นมาแล้วก็เอาอยางจันทร์มือใดเดชบนบ่าอันนี้เพื่นสอนแน่นหน่อยนบ่หลวงพ่อพิย น, นาเบิงแหลแมนความเพิินได้จะว่าคู่บาอาจารย์มาสิก็ต้องนั่งคุกเขา่าเข้าไปถวายเพิินถวายของแบบใดถวายกับพระหลวงปูเป่เพื่นสอนวัดตามลํารับสําหรับแขกออกตอนญาติโยม โดยเฉพาะอย่างพ่อแม่ขาม่าเนี่ยจีไปหาด้วยความบอขคบราาาบ่ายวนออาไปแต่พ้นว่าเนี่ยพ่อแม่ของเจ้าของเนี่ยหายตรงหาด้วยความคขลบรเมนจีหาแบบวิสาสะเบิงนะอันนี้ก็คือเป็นข่่บอกข่่มกาวคําสอนของหลวงปูน่นะเพราะนั้นหลวงปู่เนี่เป็นห่มโพหมไส้ของ บอกว่าเป็นของผู้อื่นกับเป็นของหลวงพ่อเนี่ยหลับผู้นึงมานไปอเพราะนั้นยังพอเสาผมก็เคยไปบวชกับหลวงปู่แล้วก็ลูกหลานทั้งหลา ย, ยานยอได้ฟังเทศฟังถ้ำร้ำมาเทศนาของหลวงปู่ประวัติหลวงปู่อพวกเข้าในอ่านใ้ศึกษาเพราะนั้นใอ้พวกลูกหลานทั้งหลายยึดหมันเนาะยึดหมันในแนวแถวของหลวงปู่ห้องบอ่อพิษว่านไป หลวงปู่เฮานี่เป็นผู้แข่งขัดเป็นผู้ตัง อ, อกตังใจมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเด็ดเดียวอีหลี่ยนไปหาในเนื้อกรงพ่อวะเพราะนั้นพวกเฮาลูกหลานสุขขู่สุขชนที่เป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่ให้ไปยามยึดมัน่นหลวงปู่เนี่ยเป็นสอนแท้แด้เรื่องอบายมุกนะ เ, เรื่องเล่นยัดเลรียญเบอร์เรื่อ ง, อองหวยเรื่องการพระนงพระนั่งขันต่อเลรียญไผ่เลรีโป หลวงปูนเนี่ยพันบอส่งเสริมแท้แท้อดออไป เ, อเรื่องกินเหล่าเมายาคือกันซ้อนแล้วซอนอีกเพราะนั้นพวกลูกหลานของเฮานะหายยึดตามแนวแถวหลวงปูที่พันสอนเอาไว้ผลว่าขั้นเป็นพระกระตั้มจะไปยูไซกระตามขั้นห่าว่าอเ น, นี้เงินขน่อยถึกถึกเบอร์แล้วที่หลวงปูบอกยากินของเขาแท้แท่ใ น, นวันผลว่า คันบมมีนเรากินให้กินถินกินใบไม้กินใบไม้แห้งยังที่มีประโยชน์กว่าที่จะปินกินเงินกินท่องของเขากินทรัพย์สมบัติของเขาที่ได้มาบาบริสุทธิ์ปนป่านนั่นเลยหลวงปู่สอนอ่าเพราะนั้นหลวงพ่อฟั่งฟั่งถึงใจแถวๆลงไป เ, เรื่องอบายยมุกทุกอย่างเพราะนั้นพวกเขาที่เป็นหลูกเป็นหลานของหลวงปู่ให้ฟั่งไวนะ้หน้าให้ศึกษาไว้ไดแนวแถวที หลวงปูเข้าสอนสอนให้เป็นคนดีทำมาพวเข้าที่เป็นลูกเป็นหลานออกตนญาติโยมหมดเว้นในอบายยมุกอย่างที่หลวงปูได้ก้าวได้สอนหลวงพอว่อถึงจะถูกจะจนก็เพะถึงจนจ น, จนอัปจนไปบอลลออต้องมีท่างไปแล้วก็พร่อมกานกันกร้างบุญสางกุศลเอาไว้เป็นเปิดทางเจ้าของเอาไว้การสางบุญสางกุศลเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้ว มันเป็นพลังเลเออมันเป็นพลังทางด้านจิตใจทางว่าพวกเข้าบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันปิดตันอันตู่คานว่าพวกเข้าได้สร้างบุญสร้างกุศลไปพร้อมน่ยมันเปิดช่องเปิดทางมันเป็นพลังเอ่อเฮ็ดพอเป็นตะไดมันก็ะไดเฮ็ดพอเป็นแต่เกิดมันก็เกิดขึ้นมาเพราะโดยบุญกุศลมันมองว่าเห็นบุญกุศลน่ยเอ่อเพราะนั้นบอกพุ่จะมองขำอ่าอย่างหลวงพ่อนี่แหละมาอยู่จังสิ พวกข้าเบังยุ่ในป่าถุงพงไพ่บกคิดว่าจิขู่คนที่เข้ามาเกี่ยวของก็มากัึงสี่แล้วคันว่าผู้ใดได้สร้างบุญลูกพ่อว่าจังไหนจังไดนก็ไปหลอดมันไปให้จิตใจเป็นกุศล เ, เวียนเสียติบทํำอ้ยังหวังอันนั้นทำมนีหวังอันนั้นทำหวังภายนอกทุกโดยมากกุศลปุนกุศลที่ทํำไปมันลดปริมาณเลยเพลังลดพลังลงมันอไป เอาว่าถ้ำบ่บ่หมุ่งบ่หวังยังมิแต่หวังบุญกุศลโดยบุญกุศลที่ผู้ขาทําดีแล้วนี่ยโดยเจตนาดีแล้วเนี่ยผู้ขาไปอยู่นสถานที่ใดทํางานอ่อย่างกิจการยังก็ตามขอให้เป็นบุญบุญกุศลมาซอยผู้ขาเนออย่าให้ผู้ขาได้ตกอับด้วยบุญกุศลที่ผู้ขาได้ทําดีแล้วนี่คานว่าพวกเขามีจิตมีใจจังสั่นอยู่เสมอนะ เฮติหยังก็พ่อเปลี่ยนพอไปคำนว่าย่ำเข้าตกอัพหรือว่าอับจนขึ้นมาเข้าก็จะไปตำนี้ว่าเข้าสางบุญแล้วเข้าท้ำบุญปานนี้แล้วเข้าอย่าตกทุกข์ใดยากเข้าอย่าไปอย่าไปตำนี้ให้คิดว่าโอ้ผู้ขายเนี่ยเคยจะคงจะเคยท้ำกับเขาไวในอดีตชาติหรือแต่กอนเกา่เาคนน่ะกรรมนันคงจะให้ผลขาดไปเจ้าอยู่เอาเถอะขาดไปเจ้าต้องยอมรับล่ะเพราะ พรผู้ข่ากันเฮ็ดมากอาถมได้ทำกรรมบอดีไว้กับเขาเขาจึงมาตม้มมาตุนขา่าแต่บัด น, นี้ต่อไปข่าในลูกแล้วว่าสิ่งกรรมชั่วนี่ให้ผลที่บอดีผู้ข่าทิ่บ่เฮ็ดสิ่งที่มั่นบอดีพยายามจะทำแต่กรรมดีเอาไว้นี่แหละให้พวกเ ข, าข้าคิดวายูจังสันเสมอ่อเวลาเจ็บไข่ได้ป่วยขึ้กันเฮออ้าจะไปหาว่าเป็นผีจังสันเป็นซางจังสันผีปอบจังสันผีกะจังสีเฮ้าจะไปถือจังสัน คือว่าเป็นกรรมัมคนเฮ้าเกิดมาบ่าตายเยอะจังไรเกิดมากต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาคนเฮ้าเป็นมากจังสี่ั้งแต่สางโลกมากบ่เห็นผู้ใดอยู่ใดตายเมื่อทุกคนแต่ว่าก่อนที่ตายนั้นให้เฮ้าหยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ผูบาอาจารย์สอนอถึง พ, ถงพุถึงพุทธทั้งท่ามั่งสังข่างสารนาคช้ า, ชามิยุดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาธาะเป็นที่พึ่งอ่า อโมเมนต์สิบางคนเด๋ยมาถามอีกอเฮ็ดบุญแล้วก็บุญก็ปวซ้อยหรอกบุญจักเป็นตัวจังใดบุญจักวิ่งเป็นตัวจังใดบุญก็จกักจีมาสรอยได้จังใดผู้ค่านนะั้ว่าเสือดอกว่าเสือบุญหรอกขั้นเป็นยังสั้นมันก็เขาทํานองที่วา่าพระกรรมาฐานเอาขี่ดังอายหน่ายเลือดลงไปอพวกเขาก็เคยได้ยินบอ คนโบหุจักบุญโบหุจักบุญคนที่ทําบุญเก็คือพอทําไปแล้วมันเป็นพลังไหมมันเป็นพลังในจิตใจจิตใจสบายจิตใจมีความลมเย็นเป็นทุกนั่นละบุญเหดหญังกับปอดโป้งเหตัญั้งกันเป็นไปได้ความเจริญลุ่มเรื่องกัเป็นไปได้ไไดให้พวกเข้าคืดเบื้งย่อนหลังเบื้งให้ดีเข้เาเสียใจไม่ที่เข้าถ้ำบุญพวกหลวงพ่อน่ยบุรหลวงพอว่อบุตรเสียใจสักหน่อยแลยว้วหน่อยหน่เสียสาระ ล, ะลงไป ที่หลวงพ่อบวชมาแต่เล็กต่น้อยขึ้นกันหลวงพ่อบอดิเสียใจและการสั่งเสียสาระอย่างก็ตามที่ใดมากจะตู้ปัจจัยที่ใดมากหากูใหายข้หยนห้วัดว่าศาสนาหายโรงพยาบาลหายลุงลำลุลงเล่นหลวงพ่อเสียใจบอ่อหลวงพอ่อภาคพุ่มใจที่ได้ให้ไปเพราะนั้นหลวงพอ่อจึงมาหยุจดจุดนี้แน่วบอเป็นแต่มีก็มีแน่วพอเป็นแต่เป็นก็เป็นแนวที่ว่าข้าวนี่ มีความจําเป็นจะได้ใช่หรืเด้อมันกําลังไหลเขออกมาข้าเรี่ยงคิ้วขออมาบ่อัพบ่จดก็ต้องไปนี่หลวงพ่อว่าขั้นบ่ว่าบุญทีว่าอีอย่างก็ต้อไปหลวงพ่อว่าเป็นบุญเด้เพราะนั้นให้สร้างบุญไว้น่ะถ้าคนมีบุญเาไปใสลมเจ็นเป็นซุกมัดน่ะข้นโบกุจักบุญก็ยังว่าเลย่างที่หลวงพ่อว่ามีภาะกรรมฐานภระกรรมฐานบ่มีเงินเด้ เพ่าะมีเงินออกพระกรรมฐานคันบูพระมีเงินเลยโมเมนพระวอนลงไปพิชศินขอนึงเลยพิกสูรับเงินและทองหรือยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้หรือว่าเก็บเองก็ดีให้ผู้อื่นเก็บก็ดีซึ่งทองและเงินพิชสินไปขอนึงสินขาดไปขอหนึ่งวอนไปเพราะนั้นพวกเข้าถือว่าพระองค์ไดมีเงินนะให้ถือไว้แล้วว่าองค์นั้นขาดสินไปขอหนึ่งแล้วในสองร้อยย่ขอะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้วอนไปคันพระมีเงินติดตัวไปนะ สินขาดไปขอหนึ่งนะพิกสุกเก็บเองก็ดีให้ผู้อื่นเก็บก็ดีซึ่งเงินและทองอเอยตรงนี้จะขี่ยาปาจิตตีนะนี่แหละอันนี้แบมีพระกรรมฐานเพิ่นก็บอมีเงินวันละไปอพอมีเงินเพิ่นก็เดินทุ่ลงไปเพิ่นมาจากขามฟังโขงมาเลยเจะขามไปฟังพุ่นมานล้ไปไปหอดเพื่อเพื่อไพ่มา้วไปเพื่อเจ๋วมาไปเพื่อเจ๋วเพื้อไพ่มาแล้วไปบอกว่ า, วาอาตมาอยากจะไป ฟังพูนวันฉันหอยไปก็ไปไดอย่างนี้ราคาเท่านันเท่านี้แล้วเน่ยพอฉันโอ้ยอาตมากระผมมีแล้วฉันเนี่ยอาตมา ก, ก็บผมมีเงินละ่ะก็ได้เป็นพระกรมมีเงินละ่ะขันมีก็มีแต่บุญเท่านั้นะสหาวฉันเนี่ยเลือเงินลงท้องบรมีแล้วฉันเทั้งหมอเจวเรือดนก็บอกว่ า, วาได้ยินแต่ว่าเขาว่าบุญบุัน น, นแต่พอดเกิดมากกระมีตแต่พอเป็นผูกผ้าผ้าเลือวัานะ ผาคนขามฝากกนไปพ่อใหญ่ขึ้นมากกเป็นเล็กน้อยก็เป็นลูกเลือให้พ่อกนไปพ่อผ้าเห็ดกนไปก็ะบ่กเคยเขาวัดเขาว่าบอเคยไปไซกันไปมีแต่อยู่กับเพื่อนนไปแต่ในยินเขาว่าไปเอาบุญไปเอาบุญนู้นออไปไปเอาบุญบ้านนั่นไปเอาบุญบ้านนี่เห็ดบุญยังสั่นเห็ดบุญยังซีวนไปแต่ยินแต่เขาว่ากนไปเขานั่งเหื่อมากเขาคุยกันกนไปบาดในหมอเนี่ยกว่าแต่ยินพระกรรมฐานว่า ขั้นทว่าอยากได้งได้เงินกับผมมีแล้วว่านเนี่อาตมาผมมีเงินขั้นหนังว่าอยากได้ขั้นจะเอาบุญเออได้ยศได้บุญวะ่านเอาผ้าขามน้ำวะท่านได้บุญหลายวะท่นโอ๊ยผมก็ได้กินแต่ขาา้าว่าบุญบุญ่านผมก็อยากได้ขึ้นกันนะเวะท่านเนียขั่นสันน่นก็เอาผมสะเอาบุญ น, นำ้ำมาผมสะเอาบุญ น, นำ้ำขั้นว่าจะให้บุญผมก็บอกเหลือเงิ น, นา เออครับันเจ้าบุญก็เอาเฉ้บ้านแหลกภาพกรรมฐานกับมุกมับก็ขึ้นไปเหื่อแล้วนเอาไปพอเหื้อเนี่ก็หมอนี่กเจ้าของเหื่อเนี่ยเหื่อเหื่อแจ๋วเนี่ยเอาไปก็พ่ายจ้ำรมดแล้วเอาไปจ้ำจ้ำจ้ำุกจ้ำะเทือนโวมก็นโดนเติมได้วันไปช่วีขามฟังขามฟังโขงได้วันไปพ่อไปหอดพุ้นบาทนี้พ่เพ่อไปถามมั ยาคู่วะสั น, นีที่ว่าอาตามาจะให้บุญนะีย่ยยุใส่พ น, นุบอกก็พาเขาบอกเป็ยนได้พอนไปพาว่าอาตามาเพาาาื่นกออ็อาตมาน้ามันเดียวอไปอาตมาที่ว่าจะให้บุญผมนะีม่แล้วเฮ็ดยังไงวสันน่ไม่ก็ให้แต่เด้พนว่าอยอย ใ, หให้ยุใส่สันน้หไม่ก็ให้บุญนตเด้งทรงทรงขำฟาก็ได้บุญแตเดียววะสันห่อยุใสบุญกันเป็นซีมันก็ตัวต้มผมได้สัน บ่อหายบุญสิไปเฮ็ดจังสีวะันหายยุ่ส่หาร่มหายแรงกะันบ่อได้อะสันพระอเนีของหอยหายแล้วว่าสันนหอยหายยุ่งใส่ผลเเอาไปว่าจะดึงผ่าจีวอนพระไหวอไปพระโอเนก็ไปบ่อได้วะโนไปพอหมอเขื้อนนดึงผ่าจีวอนไหววะโนไปเพื่อนนี่เอ๊ะกูจิเฮ็ดจังไรเอ่าวะสันนีป่านนี้ที่เอายังหาหมันวะสันนี่เอาไปมากกัลูกไปลูกมากกัโจกเข้าไปนีดังไป ไปควักขีดังแห่งออกมากันหนึไปเม็ดนึ่งวอนหนึ่งไปพ่อหนก ก, กอกออกมาขีดังแหงเม็ดหนึงออกมากกเลยกันเลียวพุ่นเลียวพีกะนขันบ่อให้บุ่นผมบ่อให้ไปแท้ๆคนวาไปหาต้มผมเป็นสิว่าจะให้บุ้นให้บุ่นก็เบ้กกันแล้วท่านบาดานี้บาฮาไมา่หรว่าหายแล้วหายแล้วใช่ทังไหนผมบ่อใดาแม้ว่าท่านเลยทางเพิ่อนเอก็น่ากพ่อเนี่ยกัพ่อเนีย่ยกรรมฐานเนี่ยกับควักควักไมก้ัเอา้าบุญคนวา <necessary. S 2> บ้าบรรดาบมขลอเนหน่อยป่ะเนี hmm. uh, ่ยวะก็ย hmm. uh, uh, like right, yeah, yeah, ังหน่อยแต่พอไว้กัของดีมันก็จะไปง่ายอย่างว่าแต่ต้องน่อยอย่างสแล้วเ่ยสิเก็บไปใส่แล้วยังพอคนวเอัตมาจะให้ผมเก็บไปใส่พนพลวาเด้พลวะกพาพระเปลี่ยนเนี่ว่าอัตมาอัตมาน้ามดแล้วจะให้อตมาจะให้ผมเก็บไปใส่คนเนี่ยยังพอก็บอกว่ามันเก็บไปใส่มันก็สิเฮียแล้วสันมีทางเดียวกิดกิ่นทอนนั้นแล้วสัน ว น, นีกนญติเขาปากมับรตเาไปพอนี่พอให้กินเด้พอมับเข้าไปท่านเอกโอ้บุญนี่เป็นสีเข้มเข้มน่อยยังพอเนาะบุญบุญบุญสีเข้มเข้มเอีบุญนี่เป็นสีเข้มเข้มเนาะ อ, อัตมาผนวดัดเลยเออผนวัดเลยเอาบาตนี่ไปเลยเด้อผลวัดโดยผลวัดได้บัตเน่าพอเฝ้าไปบักใหญ่เลยว่นนไป เออเฝ้าไปปักใจนี่แต่จิให้หนีให้ไก่วะานูไปเออขัานสัมมติถึงผ่าจองหน้าจองหลังยังได้วะหนไปเออได้กินขี่ดังจะลอยแลีวนะไปอืมได้กินขี่หมูจะลอยเหลี่ยวิ่งมูแข็งวะหนูไปเออเพราะยังวายสีเข้มเขมสีเข้มเข้มเนาะบุตรเนาะนว่าเดกเออก้อนบูตรเนสีเข้มเข้มอัตมาปนว่ด็กมัน่อกับเงาวพอหนูไปเงาพระว่าอัตมาเอัตมานํานเด้ พวกคนไม่เคยเขาวัดเขาว่ากันออกไปยังสั้นแหะคนโบวิจักบุญนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวนออไปออบุญบุญให้ศึกษาให้เข้าใจบุญคือความสุขบุญคือความเย็นใจเมื่อเขาทําไปแล้วบุญเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วมิตรความสุ ข, สขความเย็นใจมิตรความจะเลื่อนลุงเรื่องบุญนี่เป็นพลังคือการครับใจของเฮาไนะใจของเฮามองบ่เห็นด้วยตาเนือ้อแต่บังคับให้กายแล่นก็ได้ให้กายย่างก็ได้ อ, อ ข, ข, ขั้นใจออกจากร่างไปแล้วไปดิเหตยังไดกขอบอไไรร่างกายยูซื้อๆวนไปอันนี้คือการบุญในมันมองว่าเห็นโดยตาเหนือแต่มันเป็นพลังเออเป็นพลังที่ทาให้กิจการงานของเฮาเรื่องของเฮาไปในทางที่ดีมีแต่ความเจริญลุ่งเรื่องพอบุญซอยวนไปคนมีบุญซอยนี่เหตยังดีมั่งน่นนนนะนะแต่คนมีบาปคนมากน่ะนะคนมีบาปเหตยังกับหล่อมๆจมๆคุดๆหวนๆอ่า พออาะนั้นพววเข้าได้มาทาบุญเ น, นื้อมนีเน้อพร้อมกันกับอุทิส่วนกุศลถึงพอร่อยตีเสาสเวตวบงแะ้วก็พอผู้ใหญ่ท้ำนะพี่น้องลูกหลานของเข้าสุขสุขคนน่ะทั้งปูทั้งยาทั้งตาทั้งย่าย้งสาขนายาิผู้ใดตกทุกข์ได้ ย, ยากให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ข่าเด้อเมือนผู้ข่าจะทบุญหาวงสาคณายายกพอใหญ่เสา เป็นประเด็นลักนี่แหละให้พวกเข้าน้อมจิตน้อมใจจังสันแล้วก็หลวงพ่อเองก็อีกสักมือนึงก็ยังคืด อ, อยู่ว่าจิทําบุญหายโยมพ่อยโยมแม่ขึ้นกันเนี่ยแล้วก็โยมทักเป็นทําบุญในวัดของเฮ้านะ่ยวัดของเฮ้ากับปู่ไดมาสร้างวัดว่าศาสนารวมเฮ้ากับล่มหายตายจากไปก็ร้ายผู่ร้ายคนเพอหน้นหลวงพ่อจะทําบุญปี น, ปนึงกับ น, น้าจะมีขังหนึ่ง É, ตรงพ่อเขาจะทำบุญคือกันน่ะแต่จะเป็นมือใดอันนี้ก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้ที่เป็นญาติพี่น้องพ pues ่อแม่ปู่ย่าตายายออกตนญาติโยมที kind of ่มารวมสร้างวัดว่าศาสนาใถล่มหายตายจากไปอาจจะไปติดคุกมาแล้วติดคุกคือยังไปตกนรกมาแล้วไปไปตกนรกมาแล้วป่ะเนี่กลับมาโตโตเตเตยังไปใส่บ่อใด พวกเขาก็เอ อ, เ อ, อหาเงินเอาเงินมากขึ้นหยัดใจมือวันคือคือเอาบุญนวด อ, อุทิศส่วนกุศลให้คือหาเงินยัดใจมือเออมือ่อหยัดใจมือของวิญญาณวิญญาณก็มีเงินในกระเป๋ามีเงินในมือก็ไปแล้วน้องไปไปหาเกิดระบาดอันนี้คือกันนะั่นแหละพนั้นการสร้างบุญสางกุศ ล, ลทุกครั้งที่พวกเข้าในถ้ำบุญก็ให้อุทิศส่วนกุศลถึง แหมวงศสาคขณาญาติเปรตญาติทั้งหลายที่ตกทุกข์แต่ยากอยู่ก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ข่าเด้อแต่ก็พร้อมกันในขณะยั่เขายังมีชีวิตอยู่หนี่งมีอย่างเขาเฝ้าเห็ดเอาซะอย่าไปหาว่าผู้ข่าอายุแกจักรย์ยังคอยเห็ดผู้เฒ่าจักรย์ยังคอยเห็ดโมเมนต์สัตว์เลยแหมพอโมเมนเฒ่าจะกรย์ยังคอยตายเา้ยหน่อยก็ตายได้นุ่มก็ตายได้สาวก็ตายได้พอบ้านพ้อเงอนตายได้ทั้งหมด พอนานเขาต้องเก็บหอมรอมริบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆคือเก็บบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆโมแมนต์สิตายซะก่อนไหนผู้อื่นเฮ็ดไถ่กันตายซะก่อนหผู้อื่นเฮ็ดไถ้มันบมดถึกใจเขาเด้่างเทือกขนาดยังมีชีวิตอยู่ อ, อิลาอินั่งมึงไปซื้อยาไม่กูกินแล้ยาทาดเรื่อยๆมันปุบ ป, ปับบังเริ่มไปซื้อเหล่า สื่อยามาหน่อยๆซะสื่อเหล่ามาชูมู ก, กินซะเงิ่อนมึงมีทอนี้ตีมาท่านมีทอนี้แล้วกูไปซื่อเหล่ากันขนาดนั้นมันก็ยังบอดถืกใจเฮาได้เป็นหมดละเพราะนั้นเวลากูตายเลยเงื่อนก่อนในยู่นี้ได้ให้สูทําบุญให้กูเดอ้อาท่นเพ้อเพ้เขาไปจ้างหมอลั่มคนน่ะนะอ่ะไปขางวข่วขาค้วยมากในงานของเฮาอีกทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลบาปอีกเพรานันไปบาปเพิ่มเข า, เาอีกเพราะนั้น คณะเฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาสิเฮ็ดยังเฮาเฮาฝ้าเฮ็ดเอาซะสางบุญสางกุศลให้เต็มที่หมดไปการเฮาว่าตายเลยสู้พระองทำให้กูก็ะได้เดอ้อกูสางเอาพ่อแล้ว เ, เงินก็อยู่หันอยูนี่แหละสู้แบงกันซะส่วนบุญสู้พระตองเฮ็ดให้กูดอกกูเฮ็ดเอาแล้วพ่อแล้วต้องบ่อจังสั่นยังค่อยเยังค่อยแมนหมดลงไปยังลงตามหาบัวเนี่ย เ, เพิร์ลวานี่ เ, เวลาเขาตายบ่ต้องกุศล า, าเข้าได้เหมืนไอ้พวกที่มา ก, กุศล า, าเข้าในพวกโ ง, ง่ทั้งหมดนลยลักษณะนั้นหระเพืเ่อนบอกแต่เพ่อนก็บอกบอกปานนั่นหรอวะเข้าเนี่พ่อแล้วพ่อตัวแล้วหมือนเน่ยบ่ต้องทำใหมเข้บ่ต้องกุศล่าให้เข้าได้นะมันปานนั้นหรพอดีว่ไปเนี่ยพอขน้นพวกเข้าให้สร้างบุญถึงจะถึงจะบ่ปานหลวงตาก็เถอะนะ ให้มีเกรืองอุนอ่นอกอุ่นใจสร้างบุญสร้างกุศลเขาสู่จิตใจของพวกเฮาให้แน่นไว้ เ, เต็มโดยบุญไปด้วยเต็มไปด้วยกุศลไปไซกัดมีแต่ความร่มเย็นเป็นทุกข์นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะชีวิตของพวกเฮาขยังทีพี่น้องพ่อแม่ปุญญาแต่ย่ายนะ่ะล่างไหลเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆอย่าไปคืนวัจนของสิบวาตายได้บ่แมแด่เด เขาต้องเดินตามหลังไปเรื่อยๆ อ, อีกสักมือนึงก็หายผู้นั้นก็หายผู้หนึ่งก็เฮียผู้นั้นก็หายเอาไปมากมดไปมดไปวันออไ ป, ไ ป, ไปอยังแต่เจ้าของก็ลกเล็กเลยเอาไปมากเจ้าของก็เฮียอีกคือกเกาหนอไปเพราะนั้นไอ้ผัวเข้ายาประมาทให้สร้างบุญสั่งกุศลเอาไว้บุญกุศลเท่านั้นล่ะที่จะมากเกลือกูลหนุนเข้าหาใจของเข้าไปสู่ความสุขความจเจริญได้นะ่ะเมื่อนี่หลวงพ่อได้เบอืกติเป็นกติเป็นตัวอย่าง เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนที่มาทำบุญให้ใหพ่อใหญ่เสาของเฮาที่เป็นลูกหลานของหลวงปู่หลวงปู่ก็เป็นข <c oughs> มพอ่อขมไส้ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบวชกับหลวงปู่หนึงแดดหัวทอําปั่นก็ว่าได้เหมือนนได้จนเป็นปานนี่แหละเฮ่ออยู่ปีนี่เท่าไดรเดือนเมษายนยี่สิเจนี่หกสิบปีได้ด้ลูกหลานเมเมนพันน่อยพันนมมันด อตวงพ่อมเมนพระหน่อยพระนุมเลยเข่าปุ่นชลาแล้ ว, วันเดไปจะเป็นพระเถาเลยเด้เออข่นว่าหลวงพออ่อหอดอายุเจ็ดสิบหปีข่านไหนป่านน้นหลวงพ่อว่าเก่งเลยเด้ในชีวิตหลวงพ่อเนี่ยหลวงพอว่อบุกขึ้นว่าสิ่ยื่นเนีเอออยู่เป็นมือมือไปคือกันกินเข่าเป็นมือมือชันอาหารเป็นมือมือไปมือหอดมือได้ก็หอดมือนั่นแหะเออแต่ก็ยังว่าเนี่ะปุนกุศลหลวงพ่อ เองบอดดิประมาทได้สรงสมไปอย่างพวกเข้าเห็นนี่ยนะการอยู่ทางนอกเอาซอยเหลือชุมชนและสังคมไปกานบอดดิซอยเหลือชุมช น, น, นสังคมก่เดินยงกบนั่งภาวนาอยู่ในที่สงบสังนัดของเจ้าของพิจารณาบังใจของเจ้าของเลยอยู่จังสันบอดดิตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าจาังไรอีกสักมือนึงน่ะต้องได้โดดหน้าผาในแนวเราไปว่าเป็นอย่างอื่นโดดหน้าผาก็ยังขึ้นตายนี่แหละยังทุกพอได้ทำ ได้ถามย่อมปูถามย่อมพ่อของหลวงพ่อเหลวงพ่อเห็นผู้เฒ่าอายุแกเลยเก่าสิบกว่ปีไปไปก็เห็นตามลาพังหลวงพอ่อเลยถามเปิ้ลก็มาไก่มาถามน่ถามนี่ผู้เฒ่าเขาบกคอยบ้าอกผู้ข่าหลวงพอ่อก็เลยถามย่อมพ่อย่อมพ่อวะเท่าปันนีย่า น, ยานตายอยู่บ่ลย่อมพ่อผู้เฒ่านั่งซึงลิง้งขดโจนเาไป ให้ญาติตายแท้ๆกับบ่ญาติให้เก่งต่อมั่นกับบ่เก่งพุทาว่าแต่ว่าขี่งอสันขี่งอใจสีขาดสันมันเป็นยังไงล่ะยมพอ่อคือกันกับเดินคือกันก็เข้าเดินทางไปด้วยนะยางยางยางยางไปพ่อไปหอดนาผ้าสันเลยหอดนาผ้ามัดทางสี่ไปแล้วบาดเลยสันกันจะให้เจ้าของกระโดดลงไปบลกว้าโดดสันมันขี่งอจิโดตันกันผู้อื่นพักหลังให้กัสุดแทะแตแลเหลวสันเลย เออหลิวลีวลงหนาวพาว่าท่นเออนี่แหละผู้ขาได้คิดจังสันล่ะคูบายว่าท่นไหนเอื่นเอื่อนหลวงพ่อเป็นคู่บ้าเป็นคูบาลูกคนลงไปนะผู้ขาได้คิดยัง บ, าง บ, าบา้ า, านานี่หลวงพ่อก็มาพิจารณาเบิงที่หลวงยมพ่อบอ่ให้หลวงพ่อฟังห้วง พ, พ่อผู้เขาผู้เ่าได้คิดคักกหลิวแม่นความผู้เ่าอิลีเด้อเออให้กล้ากระบอกล้าให้หานก็บ่กหานไปให้ญาติใ บ่ย่านทเทกะบ่แมนฆนวายา่านกันชักจะเฮ็ดอยางไรวนเรไปเกิดมากระตายแทยววนเราไปนั่นอ่ะเพราะนั้นบ่นมีทางอื่นนะให้พวกเข้าสั่งสมบุญกุศลเขาไว้ถึงจะย่ามโดดผามันก็ต้องโดดละวะอะ่แต่วันถึงยังไงให้มีบุญติดตัวไปน้ำเอาเงินติดกระเป๋าไปน้าโดดไปใสกับเงินโยนในกระเป๋าออกจากโตก๊กนาผาปไปเลยมันก็จิตตะเกียกตะกายไปมองอื่นมันก็จะดี เกิดมากกับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุบผ้าไปเกิดคนไปคันวอรบมิงเงื่อนในกระเป๋าออกจากหน้าผาตกลงไปแล้วไปเกิดเขาทองหัวทองควายทองหมูหมากาไก่โอ้ยเสียเปียและนะเอารับพรน้ำมันนี่นะวัตถี่วนกุศลหน้า